นันทมานวะกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของนันทมานพนันทมานพทูลถามดังนี้ชนทั้งหลายกล่าวว่ามูนีทั้งหลายมีอยู่ในโลกคำกล่าวนี้นั้นเป็นอย่างไรชนทั้งหลายย่อมเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยยานหรือว่าย่อมเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยความเป็นอยู่ว่าเป็นมุนีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ นันทะชนทั้งหลายผู้ฉลาดในโลกนี้ย่อมไม่เรียกบุคคลว่าเป็นมุนีเพราะได้เห็นได้ฟังและได้รู้เราเรียกเหล่าชนผู้กำจัดเสนามานได้แล้วผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวจาริกอยู่ว่าเป็นมุนีนันทะมานพทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์บางพวกย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้าง เพราะศีลและวัดบ้างเพราะพิธีหลากหลายบ้างข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้นิรทุกข์สมณพราหม์พวกนั้นผู้ประพฤติตนเคร่งครัดในหลักการของตนนั้นข้ามชาติและชราได้บ้างหรือไม่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะ สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลและวัดบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างสมณพราหมณ์พวกนั้นประพฤติตนเคร่งครัดในหลักการของตนนั้นก็จริงแต่เรากล่าวว่าพวกเขายังข้ามชาติและชราไปไม่ได้นั่นถ้ามานพทูลถามดังนี้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 ข้ามชาติและชราไปได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะเราย่อมไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดถูกชาติและชราโอบล้อมนรชนเราได้ในโลกนี้และรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้ หรือศีลและวัดได้ทั้งหมดทั้งละพิธีหลากหลายทั้งปวงกำหนดรู้ตันหาได้แล้วเป็นผู้หมดอาสวะเรากล่าวว่านรชนเหล่านั้นแลชื่อว่าข้ามห่วงกิเลสได้แล้วนันถ้ามานบกราบทูลดังนี้ข้าพระองค์ชอบใจพระดำรันี้ของพระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าแต่พระโคโดมนิพพานที่ปราศจากอุปธิ พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนรชนเหล่าใดในโลกนี้และรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้หรือศีลและวัดได้ทั้งหมดทั้งละพิธีหลากหลายทั้งปวงกําหนดรู้ตัณหาได้แล้วเป็นผู้หมดอาสวะแม้ข้าพระองค์ก็กล่าวว่านรชนเหล่านั้นชื่อว่าข้ามห่วงกิเลสได้นั่นท่ามานวกะปัญหาที่เจ็ดจบ8ด เฮมะกะมานวากะปัญหาว่าด้วยปัญหาของเหม ะ, ะกะมานกเหมกะมานกทูลถามดังนี้ก่อนแต่ศาสนาของพระโคดมอาจารย์เจ้าลัทธิเหล่าใดเคยตอบแก่ข้าพระองค์ว่าเหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้จากเป็นอย่างนี้คำตอบทั้งหมดเป็นคำที่เชื่อสืบต่อกันมาคำตอบทั้งหมดนั้นมีแต่จะทำให้ตรึกไปต่างๆ ข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในคำตอบนั้นข้าแต่พระมุนีบุคคลรู้ชัดทำใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัทธิการในโลกได้ขอพระองค์โปรดตรัสบอกทำนั้นที่เป็นเครื่องกาจัดตันหาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เฮมะกะนิพพานบทอันไม่แปรผันเครื่องบรรเทาฉันทราคะ ในปีรูปทั้งหลายที่ได้เห็นที่ได้ยินและที่ได้รับรู้ในโลกนี้ชนเหล่าใดมีสติรู้นิพพานนั้นแล้วเห็นธรรมดับกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นเป็นผู้สงบทุกเมื่อเป็นผู้ข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสัทธิกาในโลกได้แล้วเฮมกะมานวกะปัญหาที่แปดจบ โตเทยมะนวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของโตเทยมานกโตเทยมานกทูลถามดังนี้กามทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดตัณหาไม่มีแก่บุคคลใดและบุคคลใดข้ามพ้นจากความสงสัยได้แล้ววิโมกขของบุคคล น, นั้นเป็นเช่นไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโตเทย ความทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดตันหาไม่มีแก่บุคคลใดและบุคคลใดข้ามพ้นจากความสงสัยได้แล้ววิโมกอื่นของบุคคล น, นั้นไม่มีโตเทย่ามานบทูลถามดังนี้บุคคล น, นั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังหรือว่ายังหวังอยู่บุคคล น, นั้นเป็นผู้มีปัญญาหรือว่ายังมีความดำริด้วยปัญญาข้าแต่พระองค์ผู้สักกะ ข้าพระองค์จะพึงรู้จักพระมุนีได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้มีสมัรตะจักขุขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้บุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังทั้งไม่หวังบุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาแต่ไม่ดำริด้วยปัญญาโตเทยะบุคคลจงรู้จักบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ผู้มีข้องในกามและพบว่าเป็นมุนีอย่างนี้โตเทยยะมานวกะปัญหาที่9จบ 10. กัปปะมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของกัปปะมานกกัปปะมานกทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุขุขอพระองค์โปรดตรัสบอกที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงอยู่่้ำกลางสะ ผู้ถูกชราและมัจุราช ค, ครอบงำในขณะเกิดห้วงน้ำอันเป็นมหันตภัยอันหนึ่งขอพระองค์โปรดตรัสบอกที่พึ่งโดยวิธีที่ทุกนี้จะไม่พึงมีแก่ข้าพระองค์อีกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากับปะเราจะบอกที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงอยู่ถํากลางสะผู้ถูกชราและมัจุราช ค, ครอบงำในขณะเกิดห้วงน้ำอันเป็นมหันตภัย เราจะบอกที่พึ่งแก่เธออีกเราเรียกนิพพานซึ่งไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีเครื่องยึดมั่นนี้นั้นว่าเป็นที่พึ่งอันไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าเพราะนิพพานเป็นที่สิ้นไปแห่งชราและมัจจุราชชนเหล่าใดมีสติรู้นิพพานนั้นแล้วเห็นธรรมดับกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นก็ไม่เป็นไปตามอำนาจของมารไม่ไปบำรงมาร กับปะมานวกะปัญหาที่สิบจบ11เชตุกันนิมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของชตุกันนิมานพเชตุกันนิมานพทูลถามดังนี้ข้าแต่พระวีระข้าพระองค์ได้ยินว่าพระองค์ไม่มีความใคร่กามล่วงพ้นห่วงกิเลสจึงมาเฝ้าเพื่อทูลถามพระองค์ผู้ไม่มีกามข้าแต่พระสหชะนะ ขอพระองค์โปรตดตรัสบอกสันติบทข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรตดตรัสบอกทำอันแท้จริงนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงครอบเมือกรมทั้งหลายด้วยพระเดชเคลื่อนไหวอิรรียบทอยู่เหมือนดวงอาทิตย์มีแสงสว่างส่องแสงปกคลุมทั่วปฐพีพระองค์ผู้มีพระปัญญาอันไพบู์ ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้ซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งแก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชะตุกันนี้เธอจงกำจัดความติดใจในกามทั้งหลายเสียเห็นเนคขมมะโดยความเป็นธรรมเกษมแล้วควรสลัดกิเลสเครื่องกังวลที่ยึดถือหรือว่า กิเลสเครื่องกังวลอย่าได้มีแก่เธอเธอจุงทํากิเลส ท, ที่ปรารบสังขารในส่วนเบื้องต้นให้เหือดแห้งไปกิเลสเครื่องกังวลที่ปรารบสังขารในส่วนภายหลังอย่าได้มีแก่เธอถ้าเธอจักไม่ถือสังขารในส่วนถ้ำกลางไว้ก็จักเป็นผู้เข้าไปสงบเที่ยวไปพราหมณ์อาสวะทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ถึงอํานาจแห่งมัจจุไม่มีแก่บุคคล น, นั้น ผู้คลายความติดใจในนามรูปโดยประการทั้งปวงแชตุกันนิมานวกะปัญหาที่11จบ 12. พัทราวุฒมานวกะปัญหาว่าด้วย ปัญหาของพัทราวุฒมนพพัทราวุฒมนพทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ขอทูลอาราธนาพระองค์ผู้ละห่วงน้ำคืออะไรได้ตัดตันหาได้ไม่มีตันหาเหตุให้หวันไหวทรงละความเพลิดเพลินได้ข้ามห่วงกิเลสได้หลุดพ้นแล้วและการกำหนดได้มีพระปัญญาดีชนทั้งหลายครั้นได้ฟังพระดำรัสของพระองค์ผู้นาคะแล้ว จึงกลับไปจากที่นี้ข้าแต่พระวีระชนต่างๆจากชนบททั้งหลายมาชุมนุมกันในที่นี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระดารัสของพระองค์ขอพระองค์โปรดตรัสต่อปัญหาแก่ชนเหล่านั้นให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดเพราะว่าธรรมนี้พระองค์ทรงรู้ชัดแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพัทราวุธ นราชนควรทำลายเครื่องยึดมั่นทั้งปวงทั้งชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเข้าไปยึดถือขันใดๆในโลกมานย่อมติดตามสัตว์เพราะสิ่งที่ยึดถือนั้นนั่นแลเพราะเหตุนั้นภิกษุเมื่อรู้ชัดเพ่งพิจารณาหมู่สัตว์นี้ผู้ติดอยู่ในบ่วงแห่งม จ, จุราชว่าเป็นผู้คล่องอยู่ในเครื่องยึดมั่นควรเป็นผู้มีสติ ไม่เข้าไปยึดมั่นเครื่องกังวลในโลกทั้งปวงพัทราวุฒิมานวากะปัญหาที่สิองจบ13อุทยะมานวากะปัญหาว่าด้วยปัญหาของอุไทยมานพอุไทยมานพทูลถามดังนี้ข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงมีฌานปราศจากทุลีประทับนั่งอยู่ ผู้ทรงทมกิจสำเร็จแล้วไม่มีอาสวะทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงขอพระองค์โปรดตรัสบอกัญญาวิโมกอันเป็นเครื่องทำลายอาวิชชาด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุทยัยเราจะบอกอัญญาวิโมกอันเป็นเครื่องละความพอใจในกามและโทมนักทั้งสองอย่างเป็นเครื่องบันเทาความย่อท้อและเป็นเครื่องกั้นความขนอง เราจะบอกอัญยาวิโมกข์ที่บริสุทธิ์เพราะมีอุเบกขาและสติที่มีธรรมตักกะเป็นเบื้องต้นเป็นเครื่องทำลายอวิชชาอุไทยมานบทูลถามอีกดังนี้สัตว์โลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้อะไรเล่าเป็นเหตุที่เอาไปของสัตว์โลกนั้นเพราะละอะไรได้เล่าพระองค์จึงตรัสว่านิพพานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ สัตว์โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้ความตรึกเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์โลกนั้นเพราะละตันหาได้เราจึงเรียกว่านิพพานอุทยมานบทูลถามอีกดังนี้ข้าพระองค์มาเฝ้าเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าสัตว์โลกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไรวิญญาณจึงดับสนิทขอฟังพระดำรัสนั้นของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ สัตว์โลกไม่ยินดีเวทนาภายในและภายนอกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างนี้วิญญาณจึงดับสนิทอุทยมานวกะปัญหาที่ส3าจบ 14. โปสาละมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของโปสาละมานพโปสาละมานพทูลถามดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดไม่มีตัณหาเหตุให้วันว้ ตัดความสงสัยได้แล้วทรงแสดงอตีตะธรรมข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงข้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณของบุคคลผู้ไม่มีรูปสัญญาผู้ละรูปกายได้ทั้งหมดผู้พิจารณาทั้งภายในและภายนอกเห็นว่าไม่มีอะไร บุคคลผู้เป็นเช่นนั้นควรแนะนำอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปสาละตถาคตรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณทิฏฐิทั้งหมดรู้จักบุคคลนั้นผู้ดํารงอยู่ผู้น้อมไปแล้วผู้มีอากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นเป็นที่มุ่งหมายบุคคลนั้นรู้กรรมมาพิสังขารว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอากินจัญญายตนะสมาบัติ รู้อบรูปราคะว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้ครั้นรู้กรรมอย่างนี้แล้วออกจากสมาบัตินั้นเห็นแจ้งธรรมที่เกิดในสมาบัตินั้นยานนี้ของพราหมณ์ผู้อยู่จบพรหมจรรย์เป็นยานอันแท้จริงโปศาละมานวกะปัญหาที่14จบ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 โลกนี้โลกอื่นพรหมโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่ทราบชัดความเห็นของพระองค์ผู้โคตมะโคดผู้มีพระยศข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงมีปกติเห็นธรรมอันงามอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมะจุราชจึงไม่เห็นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้โมคราช เธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่ามีสติทุกเมื่อพึงถอนอัตานุทิฐิเสียเป็นผู้ข่ามมจุราชเสียได้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้มจุราชจึงไม่เห็นมุขราชมานวกกะปัญหาที่15จบ 16. ปิงคียะมานวกกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของปิงคียะมานุก ปิงคียะมานพทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ชราภาพแล้วไม่มีกำลังผิวพรรณไม่ผุดพองในตาไม่แจ่มใสหูฟังไม่ชัดขอข้าพระองค์อย่าได้เป็นคนหลงเสียหายในระหว่างนี้เลยขอพระองค์จงตรัสบอกทำรรที่เป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้ซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปิงคยะ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 ว่าด้วยการสุดดีธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่งพระธรรมสังคากาจาร์เมื่อจะสันเสริมพระธรรมเทศนานี้จึงได้กล่าวไว้ดังนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคถานี้แล้วเมื่อประทับอยู่ณนะปานานกะเจดีแคว้นมคตได้ทรงรับอาราธนากราบทูลหลายครั้งจากพราหมณ์หคนผู้เป็นสิษใกล้ชิดได้ตรัสตอปัญหาแล้วถ้าแม้บุคคลรู้ทั่วถึงอัด รู้ทั่วถึงธรรมแห่งปัญหาแต่ละปัญหาแล้วปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรมก็จะพึงถึงฝั่งแห่งชราและมรณะได้แน่นอนเพราะธรรมเหล่านี้เป็นเหตุให้ถึงฝั่งเพราะเหตุดังกล่ามนี้นั้นธรรมบัญญายนี้จึงชื่อว่าปารายณนะ 1. อจิตตะสองติดสะเมตยะ 3. ปุญญกะสเมตขู 5. โทตกะ 6. อุปศีวะ 7. นันทะ 8. เหมกะ 9. โตเทยะ 10. กะปะ 11. ชะตุกันนะผู้เป็นบัณฑิต 12. พัทราวุฒิ3อุไทย 14. โปสาละ 15. โมคราชผู้มีปัญญา 16. ปิงคียะ ผู้เป็นมหาฤาษีพราหมณ์บหคนนี้พากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเพียรพร้อมด้วยจรณะผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อจะทูลถามปัญหาที่ลุ่มลึกจึงเข้าไปใกล้เฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าอันพราหมณ์เหล่านั้นทูลถามปัญหาแล้วตรัสตอบปัญหาแก่พรามเหล่านั้นตามความเป็นจริงพระพุทธมุนีทรงทําให้พราหมณ์ทั้งหลายพอใจ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 อรายนานุคีติคาถาว่าด้วยเพลงขับตามธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่งท่านพระปิณคียะกล่าวแก่พราหมภาวรีท่ามกลางชุมชนดังนี้อัตมภาพจะกล่าวบทขับที่เป็นเหตุให้ถึงฝั่งตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ปราศจากมนทินพระปัญญาอันไพ่บูรปราศจากกามทรงไร้กิเลสดังป่าผู้เป็นนาคะ ทรงเห็นอย่างใดก็ตรัสบอกอย่างนั้นจะพึงตรัสคำเท็จเพราะเหตุแห่งอะไรเล่าอัตมภาพจะกล่าวถ้อยคำที่ประกอบด้วยคำสรรเสริญพระผู้มีพระภาคผู้ทรงละมนทินและโมหะได้แล้วผู้ทรงละความถือตัวและความลบหลู่ได้ณบัดนี้ท่านพราหมณ์นาจารย์พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงเป็นผู้กาจัดความมืดมีสมันตะจักขุทรงถึงที่สุดโลก ทรงล่วงพบได้ทั้งหมดไม่มีอาสวะทรงละทุกทั้งปวงได้แล้วทรงมีชื่อตามความจริงอาตมาภาพได้เข้าเฝ้ามาแล้วนกพึงละป่าเล็กแล้วมาอาศัยป่าใหญ่ที่มีผลไม้มากฉันใดอาตมาภาพก็ฉันนั้นและคณาจารย์ผู้มีทัศนะแคบไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเหมือนหงโพลงสู่สะใหญ่ฉะนั้น ก่อนแต่ศาสนาของพระโคดมอาจารย์เจ้าลติเหล่าใดเคยตอบแก่อัตมภาพว่าเหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้คําตอบทั้งหมดนั้นเป็นคําที่เชื่อสืบต่อกันมาคําตอบทั้งหมดนั้นมีแต่จะทําให้ตรึกไปต่างๆอาตมภาพจึงไม่ยินดียิ่งในคําตอบนั้นพระโคดมทรงเป็นเอกบุรุษประทับนั่งทําลายความมืดอยู่ ทรงรุ่งเรืองทรงแผ่รัศมีพระโคดมผู้มีพระญาณอันไพ่บู์พระโคดมผู้มีพระปัญญาอันไพ่บู์นรำใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์ใดทรงแสดงธรรมที่บุคคลเห็นได้เองไม่จํากัดการเป็นที่สิ้นตัณหาไม่มีอันตรายแก่อัตมภาพพรามเพอรีกล่าวกับท่านพระปิ ṅ คียะดังนี้ ท่านปิงคียะเพราะเหตุไรหนอท่านจึงอยู่ปราศจากพระโคโดมพระองค์นั้นผู้มีพระญาณอันไพยบู์ผู้มีพระปัญญาอันไพยบู์สิ้นการชั่วครู่ทำใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดทรงแสดงธรรมที่บุคคลเห็นได้เองไม่จำกัดการเป็นที่สิ้นตันหาไม่มีอันตรายแก่ท่านท่านพระปิงคยะกล่าวดังนี้ท่านพราหมณ์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 เห็นพระโคโดมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยใจเหมือนเห็นด้วยตาอาตมภาพนอบน้อมพระองค์อยู่ตลอดราตรีอาตมภาพเข้าใจความไม่อยู่ปราศจากพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทำเหล่านี้คือศรัทธาปิติมณนะและสติย่อมไม่หายไปจากศาสนาของพระโคโดมพุทธเจ้าพระโคดมผู้มีพระปัญญาอันไพบู์เสด็จไปสู่ทิศใดใด อาตมภาพเป็นผู้น้อมไปในทางทิศนั้นๆนั่นแลอาตมภาพชราแล้วมีกำลังและเรี่ยวแรงน้อยเพราะเหตุนั้นแลร่างกายจึงไปในสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ไม่ได้แต่อาตมภาพไปเฝ้าพระองค์เป็นนิดโดยการไปด้วยความดมริท่านพราหมณ์เพราะว่าใจของอาตมภาพเกาะเกี่ยวอยู่กับสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นั้น อาตามาภาพนอนดื่นรนอยู่ในเปือกตมลอยจากเกาะหนึ่งไปสู่อีกเกาะหนึ่งครั้นต่อมาอาตามาภาพได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามโอคะได้แล้วไม่มีอาสวะพระผู้มีพระภาคเสด็จมาตรัส ด, ดังนี้วักลิผาทราวุฒและอาลวิโคโดมเป็นผู้มีศรัทธาน้อมไปแล้วชั้นใดแม้เธอก็จงปล่อยวางศรัทธาชั้นนั้นเหมือนกัน ปิงคยะเธอจากถึงฝั่งโน้นฝั่งตรงข้ามแห่งบวงมจุราชท่านพระปิงคยะกราบทูลดังนี้ข้าพระองค์นี้ฟังพระดำรัสของพระมุนีแล้วเลื่อมใสยอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสเครื่องปิดบังอันเปิดแล้วไม่ทรงมีกิเลสดุดตปูตรึงใจทรงมีปฏิพานพระผู้มีพระภาคทรงรู้ชัดอธิเทพ ทรงรู้ธรรมที่ทําความเป็นอธิเทพของพระองค์และของคนอื่นทั้งปวงผู้ทําส่วนสุดแห่งปัญหาทั้งหลายเพื่อเหล่าชนผู้มีความสงสัยให้กลับรู้ได้สภาวะใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้สภาวะนั้นอันอะไรนําไปไมิได้ไม่กําเริบข้าพระองค์จักถึงสภาวะนั้นแน่แท้ความสงสัยในสภาวะนั้นไม่มีแก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์โปรดทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นผู้มีจิตน้อมไปในสภาวะนั้นแล้วด้วยประการะฉะนี้แลปารายณวักที่หจบสุดตุธานกคา สรุปคาท้าที่มีในสุตตนิบาต 1-2 ถึงสองในวรรคที่หนึ่งมี 1. อุรัคสูตร 2. ธนิยะสูตร 3. คัคควิสานสูตร 4. กษิสพารทวาชสูตร 5. จุนทสูตร 6. ปราพวสูตร 7. วัสลสูตร 8. เมตสูตร9 เฮมวตะสูตร 10. อารวักกะสูตร 11. วิชยะสูตร 12. มุนิสูตรรวมเรื่องพระสูตรในวรรคที่หนึ่งนี้ที่มีเนื้อความประเสริฐสุดได้12สูตรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีพระจักสุทรงปราศจากมนทินทรงจำแนกแสดงไวดีแล้วบัณฑิต ท, ทั้งหลายต่างสดับกันมาว่าอุรุขวัก 3 4ถึงในวัคที่สองมี 1. รัตนสูตร 2. อามคันทสูตร 3. หิริสูตร 4. มงคละสูตร 5. สูจิโลมะสูตร 6. ธรรมจริยสูตร 7. พรามณธรรมิกะสูตร 8. นาวาสูตร 9. กิงศีละสูตร 10. อุทานสูตร11 ราหุละสูตรส2องวังคีสะสูตร 13. สัมมาปริภาชนิยสูตรส4บธามิกะสูตรรวมเรื่องพระสูตรในวรรคที่สองนี้ได้14สี่สูตรพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกไว้ดีแล้วบัณฑิต ท, ทั้งหลายกล่าวว่าจุละวรค์หถึง6ในวรรคที่สามมีหนึ่งปปัชชาสูตร 2. ประธานสูตร 3. สุภาษิตะสูตร 4. สุนทริกะพารทวาชะสูตร 5. มาคสูตร 6. กสพิยะสูตร 7. เศลสูตร 8. สันละสูตร 9. วาเสทะสูตร 10. โกกลิกะสูตร 11. นาลกะสูตร 12. ทวยตานุปัสนาสูตร รวมเรื่องพระสูตรที่มีในวรรคที่สามนี้ได้12สูตรพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกไว้ดีแล้วบัณฑิตทั้งหลายต่างสดับกันมาว่ามหาวรรค7ถึง8ในวรรคที่สมี 1. กามสูตร 2. คู่หัตถะสูตร 3. ทุตตทะกะสูตร 4. สุทธะทกะสูตร 5. ปรมัทะกะสูตร หกชราสูตร 7. ติสะเมตยสูตร 8. ปดปสุระสูตร 9. มาคันธยสูตร 10. ปูราเภทสูตร 11. กัลหะวิวาทสูตร 12. จูลวิยูหสูตร 13. มหาวิยุหสูตร 14. ตุวะตะกสูตร 15. อัตตะทันทะสูตร 16. สารีปุตตสูตรรวมเรื่องพระสูตรที่มีในวัคที่สี่นี้ได้สิบสูตรพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกไว้ดีแล้วบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าอัธกะวครคพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐสุดในคณะประทับอยู่ณนะปาสานกะเจดีที่ประเสริฐซึ่งตกแต่งไว้อย่างดีในมคตชนบทอันน่ารื่นรมมีภูมิประเทศสวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลที่เคยสร้างบุญไว้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคอันพรามผู้เป็นมานบ16คนกราบทูลถามแล้วได้ทรงประกาศประธานธรรมแก่ชนทั้งสองพวกที่มาประชุมกันแน่นขนาดณนะปาสานกะเจดีกินเนื้อที่ประมาณส2องโยศเพราะการถามโศล ะ, ะปัญหาพระผู้มีพระภาคผู้ทรงชนะมารผู้เลิศ ก, กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ได้ทรงแสดงธรรมที่ประกาศอัจบริบูรณ์ด้วยพยัญชนะเป็นบ่อกเกิดแห่งความเกษมอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์เกือก้อกูลแก่ชาวโลกพระผู้มีพระภาคผู้เลิศ ก, กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐอันหลากหลายด้วยธรรมจำนวนมากซึ่งเป็นเหตุให้ปลดปลื้งกิเลสทั้งปวงพระผู้มีพระภาคผู้เลิศ ก, กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐ อันประกอบด้วยบทแห่งพยัญชนะและอัดมีการเปรียบเทียบที่หมายรู้ด้วยอักระซึ่งแน่นอนเป็นส่วนธรรมวิจารณญาณของชาวโลกให้แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคผู้เลิศ ก, กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐอันไม่มีมนทินเพราะมนทินเคราคะโทสะโมหะเป็นส่วนแห่งธรรมที่ปราศจากมนทินเป็นส่วนธรรมวิจารณญาณของชาวโลกให้แจ่มแจ้ง พระผู้มีพระภาคผู้เลิกก ว, รรกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐอันไม่มีมณทินเพราะมนทินคือกิเลสมณทินคือทุจริตเป็นส่วนแห่งธรรมที่ปราศจากมณทินเป็นส่วนธรรมวิจารณญาณของชาวโลกให้แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคผู้เลิกกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐเป็นเหตุปลดเลื่องอาสวะกิเลสเป็นเครื่องผูกพัน และกิเลสเป็นเครื่องประกอบเป็นเหตุปลดเปื้องนิวร์และมนทินทั้งสามของชาวโลกนั้นพระผู้มีพระภาคผู้เลิศ ก, กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงสแสดงพระสูตรที่ประเสริฐที่หามนทินไม่ได้เป็นเครื่องบรรเทาความเศร้าหมองทุกอย่างเป็นเครื่องคลายความกำหนัดไม่มีความวันไหวหมดความเศร้าโศกเป็นธรรมสงบประณีตและรู้เห็นได้ยาก พระผู้มีรกกมพระภ า, า, าคผู้เลิกกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐซึ่งหักลานราคะและโทสะให้สงบเป็นเครื่องตัดเป็นเครื่องต้านทานและเป็นเครื่องพ้นกำเนิดทุคติวิญญาณหและความยินดีที่มีตัณหาเป็นพื้นฐานพระผู้มีพระภาคผู้เลิกกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐอันลึกซึ้ง รู้เห็นได้ยากและละเอียดอ่อนมีอัดอันลุ่มลึกซึ่งรู้ได้เฉพาะบัณฑิตเป็นส่วนทำวิจารณญาณของชาวโลกให้แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคผู้เลิศ ก, กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐดุจ ด, ดอกไม้เครื่องประดับที่คงทนเก้าชนิดอันจำแนกอินซีชาญและวิโมกอันมักมีองค์8เป็นยานเครื่องนำไปอย่างประเสริฐ พระผู้มีพระภาคผู้เลิศ ก, กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐซึ่งปราศจากมลทินบริสุทธิ์เปรียบเหมือนดวงจันทร์วิจิตด้วยรัตนะเปรียบเหมือนห้วงน้ําเสมอด้วยดอกไม้มีเดชเปรียบดังดวงอาทิตย์พระผู้มีพระภาคผู้เลิศ ก, กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐปลอดโรปร่งเสมให้ความสุขช่าเย็นสงบ เป็นเครื่องต้านทานมาจุราชอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างสูงเป็นเหตุให้ชาวโลกนั้นรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งสภาวธรรมที่ดับกิเลสได้แล้วสุตตานิบาตจบ